อรหันต์ะสั ม, มาสัมพุทธเจ้าย่อมมีโดยปริยายสองประการคำว่าปริยายนี้หมายถึงเหตุนะครับย่อมมีได้ด้วยเหตุสองประการสองประการเป็นฉไหนคือธรรมเทศนาประการที่หนึ่งนี้ว่าเธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปธรรมเทศนาประการที่สองแม้นี้ว่าเธอทั้งหลายครั้นเห็นบาปโดยความเป็นบาปแล้ว จงเบื่อนายจงคลายกำหนัดจงปลดเปลื้องในบาปนั้นนะดูการพิสูจ์ทั้งหลายธรรมเทศนาสองประการนี้ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีโดยปริยายย่อมมีโดยเหตุสองอย่างเนี่ยนะชั้นต้นให้เห็นบาปให้รู้ว่าอะไรเป็นบาปเท่ากับแสดงสมุทัยสยัตว์นั่นแหละเพราะว่าไอ้สมุทัยนี้เป็นเหตุแห่งวัตทุกข์ทีนี้ถ้ารู้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อนายและคลายกำหนัดจากบาปนั้น ก็จะได้พ้นจากวัตถทุก์นั่นเองนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเธอจงเห็นการแสดงโดยปริยายของพระตถาคตพระพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าก็ธรรมะสองประการพระตถาคตพระพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าประกาศแล้ว เธอทั้งหลายผู้ฉลาดจงเห็นบาปจงคลายกำหนัดในบาปนั้นเธอทั้งหลายผู้มีจิตคลายกำหนัดจากบาปนั้นแล้วจักกระทาที่สุดแห่งทุกได้นะครับถ้ารู้จักทุกโทษของบาปทั้งหลายเนี่ยนะมีตัญหาเป็นต้นก็พ้นจากวัตตทุกได้พันคำว่าปริยยศัพที่ว่าธรรมเทศนาเนี่ยนะครับปริ ย, ยสองเนี่ยนะ ก็คือมีความหมายว่าเหตุนะครับคําว่าปริยายนั้นโดยความมีหลายความหมายนะในปภาษาพดทธบางความแห่งก็หมายถึงเทศนานะครับบางแห่งก็หมายถึงเหตุบางแห่งก็หมายถึงวาระนะครับส่วนในสูตรนี้มีความหมายว่าวาระหรือเหตุนะครับที่ว่าดูการพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมเทศนา2 อ, อย่างของตถาคตย่อมมีขึ้นโดยเหตุและโดยวาระตามสมควรนะครับ นี้เป็นอธิบายในบทนี้จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าบางครั้งทรงจำแนกกุศลธรรมและอกุศลธรรมตามสมควรแก่อัธยาศัยของเวนยสัตว์โดยนายเมียที่ว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมะเหล่านี้ควรเสพธรรมะเหล่านี้ไม่ควรเสพอันนี้นะเรียกว่าแสดงตามสมควรโดย แกอธยาสายโดยแยกแยะให้รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเป็นต้นนะครับหรือบางทีก็ทรงแสดงให้รู้โดยไม่ปนอกุศลธรรมเข้ากับกุศลกรรมทรนะงแสดงทำว่าพวกเธอจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปอันนี้บางแห่งนะก็แสดงบุญกับบาปเนี่ยแยกแยกจากกันอย่างชัดเจนเลยนะครับ บางครั้งก็ทรงประกาศโทษนะครับโทษของบาปโดยนายเมียที่ว่าดูความพิสูจนทั้งหลายปานาติบาต ท, ที่บุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วให้เป็นไปในนรกให้เป็นไปในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานให้เป็นไปในเปรติวิสัยปานาติบาต ท, ที่เบากว่าบาปทั้งปวงทําให้มีอายุสั้นดังนี้นะครับนี่ลักษณะของวิธีการประกาศโทษของบาปทั้งหลายนะที่ยกบางส่วนมาให้เห็นจากที่ต่างๆนะครับ ทรงให้พรากจากบาปด้วยนิพพิทาเป็นต้นทรงแสดงธรรมว่าพวกเธอจงเบื่อหน่ายจงคลายกำหนัดเพราะว่าบาปเกิดจากอารมณ์ใดถ้าทำปริญญาณในอารมณ์นั้นเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็จะละบาปอันนั้นได้นะครับท่านก็สอนนิพพิทานุ ป, ปัสสนาเป็นต้นไปเลยบทว่าภวันติได้แก่ย่อมมีคือย่อมเป็นไปบทว่าปาปัง ปปะกโตปัสสะวามว่าพวกเธอจงเห็นธรรมะอัลามกทั้งปวงโดยความเป็นธรรมะลามกเพราะนําสิ่งไม่เป็นประโยชน์และทุกข์มาในปัจจุบันและอนาคตนะครับคือลักษณะของบาปนี่เป็นอย่างนั้นนะครับนําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พาให้เกิดทุกทั้งภพนี้และภพหน้าบทว่านิพินทัตหความว่าพวกเธอเห็นโทษมีอย่างต่างๆกันโดยในเมียที่ว่า วิธีประกาศให้เห็นบาปนะเช่นบาปชื่อว่าเป็นบาปเพราะเป็นของลามกโดยความเป็นของเลวส่วนเดียวนะครับมันไม่ได้ดีเลยทราบอย่างะนะเชื่อว่าเป็นอกุศนเพราะไม่ฉลาดเชื่อว่าเป็นความเศร้ามองเพราะทําจิตที่เคยประพาสสอนและพองใสให้ปราศจากความประพาสสอนเป็นต้นนะครับคือยกตัวอย่างนะเช่นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับพอเกิดมาเกิดด้วยมหาวิบาก เ, เมื่อมหาวิบากจิตเหล่านั้นก็ชื่อว่าประพาสสอน แต่เนื่องจากบาปนี่นะครับเป็นปัจจัยอ่ะชาวนาจิตเลยเศร้ามองเลยนะอกุศลก็เกิดขึ้นแล้วก็บาปเหล่านี้นะครับชื่อว่าทาให้มีพพใหม่เพราะทำให้เกิดทุกข์ในพพ บ, บ่อยๆบาปนี้ชื่อว่ากวนกวายนะครับเพราะเป็นไปด้วยกับความกวนกวายคือความเดือดร้อนนะครับแล้วบาปเหล่านี้ก็ชื่อว่ามีทุกข์เป็นวิบากเพราะให้ผลเป็นทุกข์อย่างเดียวนะครับ เชื่อว่าเป็นเหตุให้มีชาติชาราและมรณะต่อไปเพราะทําให้มีชาติชารามรณะในอนาคตการตลอดกาลนานไม่มีกําหนดสามารถกําจัดประโยชน์สุขทั้งหมดนะครับได้นะคือความสุขทั้งหลายที่จะพึงได้รับก็ไม่ได้รับเพราะบาปนั่นแหละเป็นเหตุเพราะฉะนั้นก็มีแต่วัตทุกต่อไปและเห็นอนิสง์ในการละบาปนั้นด้วยปัญญาชอบจงเบื่อหน่าย คือถึงความเบื่อหน่ายในธรรมะอันลามกนั้นเมื่อเบื่อหน่ายพึงเจริญวิปั ส, สนาแล้วจงคลายกำหนัดและจงปลดเปลื้องจากบาปนั้นโดยความเป็นบาปด้วยบรรลุอริยมรรคหรือจงทำลายกำความกำหนัดนะนะด้วยการคลายอย่างเด็ดขาดด้วยมรรคแต่นั้นจงปลดเปลื้องด้วยปฏิปสัสสธิวิมุตติด้วยผลนะครับนี่ก็กล่าวถึงว่า ในชั้นต้นให้พิจารณาเห็นบาปโดยความเป็นบาปว่าเศร้ามองอย่างไรเป็นต้นแล้วผลแห่งบาปเนี่ยนะครับให้ผลเป็นอย่างไรต่อไปเป็นต้นแล้ววิธีปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนะครั บ, บรครับกนิญาตครับเอ่อถ้าหากว่ามหาวิบากนเนี่ยมันเป็นของของมนุษย์ใช่ไหมครับมันเป็น่าจิตประพัดสอนแล้วผมก็เลยสงสัยว่าแล้วของพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์ในใบาย นะครับที่เป็นเหตุกาอะกุศลวิบากเนี่ยก็ไม่ใช่อภพสอนใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ในขณะเดียวกันนะครับจิตของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะก็ไม่มีโลภะนะในภวังเข้านะเพราะว่าได้แก่อุเบคาสันติรณะเนี่นะครับมไม่มีโลภะเกิดเลยไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะครับแต่เป็นอกุศลวิบากเนี่นะครับแต่ก็ไม่มีศรัทธาเป็นต้นอะไรเลยนะครับ ที่ที่เคยจําได้ว่าคําว่าประวัติสอนนี่คืออะไรนะมันคล้ายๆว่าไวต่อการรับอารมณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าหมายคําว่าประพาสสอนเนี่ยนะครับก็คือมันผ่องสาใส น, นะหรือผ่องผ่องใส น, นะครับลักษณะเนี่ยนะมันผ่องใสเฉยๆซึ่งคือหมายคําว่ามันไม่เศร้าหมองด้วยกิเลสอะไรเลยนะอืมแต่ทีนี้เนื่องจากอาศัยอุปกิเลส ท, ที่จรมาเนี่ยเมื่อเห็นเนี่ยนะครับเอางี้ก่อน ปกติแล้วธรรมดาภวังขจิตของมนุษย์เนี่ยนะครับหรือของเทวดาเนี่ยนะเป็นมหาวิบากแต่ว่าพอรับอารมณ์นะครับชาวนะเปลี่ยนเป็นอกุศลนะครับหลังจากรับอารมณ์อีกถ้าเข้าสู่ภวังก็เป็นประภาสอีกเมื่อรับอารมณ์อื่นๆไปอีกนะครับชาวนะก็จะเป็นบาปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอบาปเกิดขึ้นเนี่ยก็ชื่อว่าไม่สํารวมใจอันนั้นแล้วจิตอันนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นคนเศร้ามองไปเลยนะครับ ก็เหมือนกับภาชนะดีๆงามๆเนี่ยนะครับไปใส่ของสกปรก น, นะเพราะฉะนั้นภาชนะก็เลยเรียกว่าเป็นของสกปรกไปผวังนี่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับภาชนะไอ้ของที่ใส่ลงมาก็เหมือนกับบาปอากุโซลธรรมทั้งหลายนั้นโดยปกติแล้วภาชนะก็ไม่ไม่ใช่เศร้ามองอะไรแต่ที่มันเศร้ามองเพราะวัตถุที่เอามาใสนะ่ใส่ของไม่สะอาดเป็นต้นนั่นเองนะครับเ อ, อ่อพระสูตรนี้ถ้าหาว่าเทียบกับเกศีสูตนะมันก็เป็นวิธีฝึกรุนแรงนะครับคือแสดงถึงเรื่องบาป ครับว่ามีทุกข์มีโทษอย่างไรเป็นต้นนะครับอันนีให้เห็นว่าถ้าหากว่าไม่ละไม่คลายไม่ทําลายบาปประธรรมเหล่านี้นะทุกโทษจะเป็นอย่างไรเป็นต้นคือบาปประทามทั้งหลายนะถ้าอุปมาเป็นรู ป, ประทามก็เหมือนกับพวกยาเสพติดทั้งหลายถ้าหากว่าติดยาเสพติดทั้งหลายแล้วผลที่จะได้รับต่อไปนี่เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นต้นคนที่จะละหรือว่าเลิกเสพยาเป็นต้นจะต้องรู้จัก โทษของยาเสพติดอย่างจริงๆว่าไอ้ยาเสพติดเนี่ยมันมีทุกโทษขนาดไหนในยอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้ารักษาหายแล้วอ่ะดีอย่างไรนะครับกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยที่จริงแล้วหนักหนาสาหัสกว่ายาเสพติดเพราะยาเสพติดไม่นี่คือตัวเขาเองจริงๆไม่ได้ตกนรกนะครับแต่ว่าอกิเลส ท, ที่ไปเป็นเหตุให้เสพยาเป็นต้น้ไม่ใช่เสพพยายามไปเสพอย่างอื่นด้วยไอ้กิเลสเหล่านั้นน่ะเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรก เพราะฉะนั้นให้เห็นโทษอันนั้นโดยความเป็นโทษนะครับถ้าเห็นโทษแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อนายและคลายกําหนัดหรือให้พ้นจากทุกโทษทั้งหลายเหล่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าป่าปังได้แก่ชื่อว่าเป็นบาปเพราะเป็นของลา ม, มกนะครับบาปเนี่ยนะถามว่าท่านอธิบายว่าอย่างไรตอบว่าชื่อว่าบาปเพราะเป็นสิ่งน่ารังเกียจคือเพราะพระอริยะเกลียดโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นเป็นทุกข์เป็นต้นอันยังสัตว์ให้ ถึงทุกในวัตต์นะครับคือตัวของเขาเนี่ยนะครับไอตัวบาปเนี่ยมันเป็นของหน้ารังเกียจหน้าขยะแขยงเป็นต้นนะครับคือกล่าวว่าบุญที่ให้ผลเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากบาปมีบาปนั่นเองนะครับถ้าหากว่าไม่มีบาปผลบุญก็ไม่ให้ผลนะครับก็มีอวิชชาเนี่ยแหละเป็นปัจจัยนะครับจึงเรียกว่าบุญถ้าหากว่าไม่มีอวิชชาเป็นปัจจัยก็เรียกว่าเป็นกิริยาไปเพราะฉะนั้นในชั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึง ลอยบุญด้วยนะครับจึงไม่ได้ยินดีในบุญเลยแต่ในชั้นต้นทาไม่เจริญบุญและจะข้ามฝั่งได้ยังไงเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายที่เจริญเนี่ยก็เหมือนกับเรือแพเท่านั้นเองนะครับเพื่อไม่ให้จมในวัฏตะนะเวลาเจริญบุญทั้งหลายก็เหมือนกับเรือกระแพพอถึงฝั่งแล้วก็ไม่รู้จะแบกเรือไปทําอะไรนะครับไม่รู้จะแบกแพไปทาอะไรถามว่าก็บาปนั้นเป็นอย่างไรตอบว่าเป็นธรรมชาติทาให้เกิดในภูมิ3า นะคือบาปนะเป็นตัวปัจจัยสําคัญที่ให้ผลนําเกิดนะครับบุญทั้งหลายที่ให้ผลหรือที่เป็นกรรมให้ผลเนื่องจากอาวิชชาเนื่องจากตัณหานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหาหรืออวิชชานั่นแหละเป็นตัวเหตุให้เกิดในภูมิสามโดยความเป็นอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเธอเห็นบาปโดยความเป็นบาปมีเนื้อความตามที่กล่าวแล้วโดยการเจริญวิปัสสนาโดยนายเป็นต้นว่าโดยความเป็นของไม่เที่ยง คือบาปอาศัยอะไรครับอาศัยอุปาทานขันห้าถ้าหากว่ารอบรู้ในอุปาทานขันห้าปฏิบัติพิจหรือเรียกว่าพิจารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังลูกสอนโดยความเป็นของชั่วเป็นความโดยปีละนี่นะครับเบียดเบียนเนี่ยนะแล้วก็จงเบื่อหน่ายในบาปนั้นนะเพราะว่าจะเบื่อหน่ายในบาปจริงๆก็ต้องเห็นโทษของสิ่งที่บาปชอบทําด้วยนะ ยกตัวอย่างถ้าจะเห็นโทษของโลภะก็ต้องรู้จริงว่าโลภะมันชอบอะไรนะแล้วไอสิ่งที่โลภะชอบเนี่ยนะครับมีทุก์มีโทษอย่างไรอ่า น, นะเมื่อเห็นทุกเห็นโทษของสิ่งที่โลภะชอบแล้วจึงจะละโลภะอันนั้นได้นะครับถ้าโดยลำพังบอกละแต่โลภะละแต่โลภะมันละไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าไม่รู้จักสิ่งที่โลภะชอบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนอย่างใน อ, อ ที่กล่าวไปแล้วในสังโยชน์นะว่าจะต้องรู้จักอนะว่าถ้าสังโยชน์เนี่ยแปลว่าเครื่องประกอบหรือเครื่องผูกมันผูกอะไรกับอะไรครับมันผูกตากับสีเนี่ยตาคืออะไรสีคืออะไรมันต้องวิจัยทั้งหมดมันจึงจะรู้จักเครื่องผูกนะครับไม่ใช่ก็อย่าไปเห็นมันสิอย่าไปดูมันสิงั้นก็ใครหลับตาก็ได้ดีหมดแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนัการเจริญอินทรีย์ในวินัยของพระอริยเนี่ยเป็นเรื่องของการพิจารณาเพื่อไม่ให้บาปประธทำทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับ เป็นเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยหรือว่าธรรมะวิจัยนั่นเองนะครับบทว่าอยามปีทุติยาได้แก่ธรรมเทศนาประการที่สองนี้เป็นการเลือกปฏิบัติจากธรรมะนั้นอาศัยธรรมเทศนาประการที่1อันแสดงถึงความไม่เป็นประโยชน์และความชิบหายโดยความแน่นอนนะว่าบาปเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นไปเพื่อทุกโทษอย่างแน่นอน ทีนี้ข้อความในคาถานะครับในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าเธอจงเห็นการแสดงโดยปริยายของพระตถาคตพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าก็ธรรมะสองประการพระตถาคตพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าประกาศแล้วเธอทั้งหลายจงฉลาดจงเห็นบาปจงคลายกำหนดในบาปนั้นเธอทั้งหลายผู้มีจิตคลายกำหนดในจากบาปนั้นแล้วจักกระทาที่สุดแห่งทุกได้นะครับ เพิ่งทราบอธิบายว่าบทว่าพุทธะได้แก่พระสัพพัญยูพุทธเจ้าบทว่าสัพพะภูตานุกัมปิโนได้แก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหมดด้วยพระมหากรุณานะครับนนี้ก็เป็นบทคาถานะครับที่เหลือก็ไม่ยากนักนะครับคือหมายถึงพระองค์นี้ทรงให้รู้จักบาปโดยความเป็นบาปแล้วก็เป็นผู้ประพฤติป ฏ, ปฏิบัติเพื่อให้พ้นจาก บาปทั้ <ถ meno S 1> ทงหลายเหล่านั้นแต่อย่าลืมว่าบาปทั้งหลายเหล่าน <c oughs> <c oughs> ั้นจะพ้นได้นะครับโสดาปฏิมัก็พ้นจากบาประดับหนึ่งสกทาคามิมัคก็พ้นจากบาประดับหนึ่งอนาคามีมัคก็พ้นจากบาประดับหนึ่งอรหัตตมัคก็พ้นจากบาปอีกระดับหนึ่งนะครับอยู่คนละระดับชั้นกัน